พระธรรมเทศนาแผ่นที่72ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22พฤศจิกายน2557มีชื่อเรื่องว่าเป็นพระยาทะเลถไลและอย่าได้เปลี่ยนวินัยของสง วันนี้เป็นวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันอุโบสถแต่เมื่อวานนี้เป็นวันพระแรม15ค่าเดือน12แต่วันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้นค่ำหนึ่งขึ้นค่ำหนึ่งเป็นวันอุโบสถของพวกเราเที่ยงวันที่22 วันนี้พวกเราได้ลงอุโบสถเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาในเมื่อลงอุโบสถ เ, เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะได้กล่าวหรือถามเรื่องราวการเป็นอยู่ของพวกเราผมก็อยากจะถามเหมือนกันนะใ ห, ให้ค่อยไ ป, ไปพิจารณากันเรื่องออพระเวสสลาของเรา ก่อนออกไปออกไปเที่ยวองค์สองสามองค์ก็เดี๋ยวนี้ก็ยังเหลืออยู่3าองค์ก็ให้ ช, ช่วยกันคิดนะจะเอาองค์ไหนเข้ามาเสริมเข้ามาอีกเพื่อไม่ให้มันหนักและเนี่ยพระพระเวนน้ำร้อนมีองค์ไหนบ้างที่จะเท่าเวนจุดนั้นได้ก็จะให้มันหนักผู้เป็นผู้ใหญ่ ช, ช่วยกันคิดปรึกษากันแบ่งเบาภาระกัน ผมมีแต่มอบหมายให้พวกท่านทั้งหลายช่วยๆกันดูนั่นแะแต่ถึงยังไงพวกเราก็ยังมีหลายองค์อยู่การปัดกวาดก็เหมือนกันใบไม้มาเริ่มร่วงหล่นเราก็ปัดสายนั้นบังปัดสายนี้บังมาที่ศาลาบังแบ่งเบากันแต่ละวันก็บอกกันก็ได้ อ, อ, องค์นั้นองค์นั้นมาที่ศาลานะแต่องค์นั้นองค์นั้นไปสายนู้นไปสายนี้ กรบอกกันถ้าพวกเรารู้จักแบ่งงานกันไม่นักงานไม่นักเพราะปัดกวาดก็ปัดกวาดง่ายไม่เหมือนตะกรนแต่มันก็ดูดูแล้วก็จะเปลืองไม้กวาดไปพอสมควรละเพราะว่าเป็นปูนซีเมนแต่ทอย่างไมันก็เราจะไปกดแรงเวียงเบาๆเป่าๆปปั ด, ป, ดปัดกวาดไปเอาสายไหนแต่ละสาย แต่ไม่ต้องซ้ำกันก็ได้วันสองสามวันห6 7วันก็ปัดกวาดไปอย่างผมอยู่ภูเจา้าอก็องหลวงปูร่าก็เหมือนกันทั้งที่บินทบาททุกเช้าลงมาที่บ้านแหวงแต่ไม่ใช่ปัดกวาดทุกเช้าทุกวันนะปัดกวาดที่ทางบนถ้มบริเวณที่พักพาอาศัยแต่ส่วนทางบินทบาทเจ็วันปัดกวาดครั้งหนึ่ง อยู่ด้วยกันบางทีก็สองค์บ้างสององค์บ้างอยู่กับหลวงปู่สองค์บ้างแล้วก็เจวันจึงปัดกวาดลงทางทางบิดนาบาดครั้งหนึ่งถ้าไม่ปัดกวาดเฉยก็ไม่ได้มันเศร้าหมองพอกวาดปัดกวาดลงมาคืออ้อาถ้าช่วงไหนฝนตกเราก็ขยับไปอกีกเพราะมันปัดกวาดยากกวาดจะเคลียใบไม้ออกเพราะใบไม้มันเปียก เราก็ไม่ไดรีบเร่งอะไรเพราะข้างบนเราก็ทาาําทความสะอาดอยู่แล้วบริเวณของเราก็ทําความสะอาดอยู่แล้วนี่แหละอันนี้ค่ขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์เรื่องกิ จ, จวัตรข้อวัดก็แบ่งเบากันแบ่งหน้าที่กันใครจะทําสายไหนทํางานเหลื่อมกันทํางานเหลื่อมกันเพราะว่าพวกเราก็มีแต่ทําความสะอาดทําความสะอาดศาลา ที่พักพาอาศัยจากนันกปัดกวาดแต่กุติที่พักเท่านั้นแหละเราก็ปัดกวาดยากยากสักหน่อยเพราะมันเป็นดินมันเป็นเดนอยู่แต่ถึงยังไงถ้าฝนตกเกิต้องไ ม, ไม่ต้องปัดกวาดทามันแห้งแล้งเมื่อไรเราค่อยปัดกวาดไปเราปัดกวาดก็ไม่ต้องปัดกวาดกว้าง ด, ดูแล้วให้อยู่ในบริเวณละแวกแล้วก็ดู ที่เป็นหลุมเป็นบอ่อก็ให้โยมเขาไปกบไปถมซะแล้วก็ปัดกวาดเพื่อไม่ให้สัตว์เรืยคานพวกตะขาบพวกงูก็ามาใกล้ถ้ามันสะอาดแล้วมันสัตว์เหล่านั้นเขาไม่มาใกล้ละมันต้องอยู่ห่างเพราะสัตว์เหล่านั้นเขาชอบอยู่ในที่มืดมืดที่หมกที่ลกๆเขาชอบอยู่อย่างนั้นที่โลๆ ง, ลง เตียนโล่งนะพวกงูพวกตะขาพวกมแมลงมีพิษเขาจะไม่มาอยู่เพราะนั้นพวกเราถ้าว่ามีศรัทธา ญ, ญาติโยมจะไปพักครั้งไหนก็ช่วยกันคิดนะอันนี้ก็คือที่กุตติแต่ก็ไม่ให้หนักใจไม่ให้หนักใจอย่างที่ผมว่านเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนกลมเปลี่ยนวาระกันแบ่งเบาภาระกันจะเอาสายไหน พอสมควรฮไม่ใช่ว่าให้ปัดกวาดยาวเหยียดไปเลยไม่ใช่วันนี้วันนี้อาจจะไปครึ่งนึงวันพุ่งนี้ต่อไปอีกครึ่งนึงฮะแล้วก็กลับมาเนี่ยอันนี้แหะคือทํากิ จ, จวัดข้อวัดพอวัดของเรามันมันกว้างแต่ถึงยังไงก็ต้องเมื่อไหนทําถนนหนทางแล้วถาว่าพวกเราไม่ดูไม่แลไม่รักษา มันก็รกรุงรังดูแล้วก็ไม่น่าดูอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าพวกเราจะต้องทำหน้าที่ดูแลทำความสะอาดศาลาที่พักผ้าสไตตลอดถึงห้องน้ำห้องถ่ายอีกต่างหากที่ชั้นน้ำอีกต่างหากภาระอันนี้ะคือหน้าที่ของพวกเราแต่ที่ยังไง การเป็นอยู่อันนก็คือเราอยู่ในสถานที่ใดไม่มีหรอกไม่เป็นไม่มีทำงานมันต้องทำแต่ก็อย่าให้มันเกินไปแต่ไม่ให้ทำงานเเลยเป็นไปไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นพระอย่างผมเนี่ยอย่างพวกผมบอกให้พวกท่านทั้งหลายได้รู้ได้ทราบทำงานตรงไหนอย่างไรเนี่ยผมอ่านทะลุ แต่ถึงผมจะทำไม่เก่งเหมือนเขาก็เถอะแต่ผมอ่านผมรู้ว่าจะเดินไปทางไหนจะทำยังไงงานนี้ชิ้นนี้เพราะอะไรเพราะผมเคยผ่านงานที่บรญตาดมาจนโศคโซนพูดอย่างนั้นได้ถ้าในช่วงนั้นก็คล้ายๆกับว่าเป็นผู้ทำงานทีเดียวเป็นกำลังงานที่อยู่ที่ยมอุจุโองหลวงตาสมัยนั้นท่านก็ยัง ไม่รับคู่ขนเข้าไปทำการทำงานในวัดอีกท่านมันมันยุ่งเอาพระนี่แหละทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละฉะนั้นพวกนักโลกก็เอายินดีทำถวายบูยชาพระคุณขององอ์หลวงตาก็ไม่เห็นหนักหนาทำแล้วก็เสร็จแล้วก็นะมีประโยชน์กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไปเห็นกุฏิหลังไหนก็ยังเออยังอยู่ว่ะกุฏิที่เราได้ทำได้สร้างไว้ตั้งแต่สมัยเรามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดแห่งนี้นะ อันนี้นะคือทางด้านวัตถุแต่ถึงยังไงทางด้านนามธรรมทางด้านจิตใจให้พวกเราท่านหลายเข้มแข็งนะคือพระบางองค์หมู่พวกเพื่อนบางท่านพอเห็นหมู่พวกเพื่อนไปเที่ยวไปเต่ก็หวั่นไหวไกวยแข่งในจิตใจแต่ไม่จริงไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะเรื่องของใครเรื่องของเราผมนี่เหมือนกัน ถ้าว่าผมเองหวันไหวไกวแว่งกับหมู่พวกเพื่อนที่มาพักภาสายพระองค์หลวงปูล่าผมก็คงจะไม่ได้เป็นอาจารย์ของพวกท่านทั้งหลายอยู่ในขณะนี้เพราะนั้นผมเป็นผู้หนักแน่นมั่นคงมุ่งมั่นในเรื่องหลักพระธรรมไนายเลิกกิจจะวัดข้อวัดหรืออยู่ตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวอย่างไร แต่มาอยู่กับองค์หลวงตาผมก็อยู่เป็นเวลาถึง5้าปี6ปีกว่าเข้าปีที่7ลหลวงตาท่านจึงไล่ให้ออกไปเที่ยววิเวกไปหาประสบประการผมก็ได้ออกมาทางอำเภอนายูงน้ำโสมเนี่ยนะแต่ขณะที่ผมอยู่ผมก็อยู่แบบอยู่แบบลูกอยู่ในครอบครัวฮะอยู่ด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่แหละ แต่ในวัดของเรามาถึงยุคนี้สมัยนี้ผมก็มาบอกอีกเหมือนกันถ้าใครเข้ามาบวชแล้วอยากทะเลาะทะเลาะเลยหลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยนะอย่างน้อยต้องอยู่ตั้งห้าพันษาซะก่อนแต่ท้งนี้ท้งนั้นผมไม่อยากจะให้ไม่ใช่ว่าจะกดให้มูอยู่กับตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นคล้ายๆว่าถ้าหากว่าพวกท่านทลายบวชเข้ามาแล้วยังไม่รูด ตื้นลึกหนาบางหลักพระธรรมวินยัยกดและเบียบธรรมเนียมประเพณีมีแต่ความอยากอยากไปอยากไปเที่ยวเฉยพอไปแล้วที น, นี้ก็ทะเลทลายถลํ่ทถ ล, ถ ล, ถลัเสียพระเสียวงการไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยตัวนั้นเราผมเสียหายเสียดายเสียไม่ใช่เสียคนไม่ใช่เสียองค์นั้นนะเสียวงการพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปจากไหนอีกต่างหาก ไปจากหลวงพ่ออินอลูกศิษย์ของหลวงพ่ออินอา้าวทำไมถ้าหาว่าพวกท่านทั้งหลายได้อยู่ถึง5ปีอย่างที่ว่านะ อ, าอย่างน้อยก็ยังมีการซึมซับในกฎระเบียบผมพาดำเนิอนอย่างไรผมแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวอย่างไรเรื่องหลักพระธรรมวิ น, นัยเรื่องศีลธรรมจริยธรรม ที่เป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอย่างไรพวกท่านทั้งหลายก็คงจะจับประเด็นได้แต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายบวชมาไม่กี่เดือนกี่ปีทะเลทลายเหมือนกับว่าเพศเนี่ยเพจคลองผ้าเหลืองสีสาโลสเนี่ยไปเที่ยวได้สบายไปที่ไหนไม่เป็นพิษเป็นภยัยขอเงินจากใครก็ได้อย่างนั้นเหรอนั่นแหละ เพียงแต่คิดทรมควาผิดแล้วมันไม่ใช่แนวแถวของพุทธะแล้วแนวแถวของพุทธะพราะพุทธเจ้าท่านให้ทำยังไงคาว่าเดินทุ้ดงเดินไปที่ไหนเดินในตลาดใช่ไหมหรือเดินที่ไหนก็เดินหาไปหาความสงบคำว่าเดินทุ้ดงเข้าไปในป่าอากนั้นก็สแหวงหาความสงบบำเพ็ญจิตตภาวนาน้าสะอาดบินทบาทพอได้ฉันนั่นแหละ ไม่พุกผ่านวุ่นวายห่างไกลจากชุมชนแล้วก็เป็นสถานที่เหมาะไม่วุ่นวายนั่นแหละก็ปรากฏหรือทำแค่์หรือทำที่พักเล็กๆและก็บาเพ็ญอยู่ตามลำพังเพ่งพินิษฐ์กำหนดพุทธโธเพื่อจะให้ความสงบพุทธโธจากนั้นก็พิจารณาอนจจังทุกขังอนาตาเกิดแก่เจ็บตายเห็นไตร ล, ลักษ ทุกขังอนันนิจังอนัตตานั่นะอันนี้แหละคือการไปไปอยู่ไปเที่ยววิเวกไปอยู่ตามลำพังแต่นี้ผมทีพูดทางนี้ทางนั้นผมก็ไม่ได้กฎขีและห้ามโดยอัตโนมัติเรียกว่าห้ามด้วยตามลำพังอย่างวัดบวรนเวิเวศวิหารตามกฎระเบียบของท่านเมื่อบวชเข้ามาแล้ว ถ้าจะอยู่ทาวรท่านก็ต้องให้อยู่จำพรรษาที่พัดบนบวรซะก่อนห้าปีจากนั้นท่านจึงให้ออกใบสุดที่ให้อันนี้ผมก็ผมก็ทำลักษณะอย่างงานมวนกันแต่ผมไม่ได้พูดแต่ถ้าอยากจะไปมีความจำเป็นก็เอาผมก็ออกใบรับรองให้ไปก่อนถ้าอมาถึงห้าปีแล้วเหรอถึง5าปีเออเอาออกใบสุดที่ให้พอถ้าเป็น พระที่ผมดูดูแล้วจะเป็นหลักหรือว่าหนักแน่นในหลักพระธรรมวินัยแต่ถ้าว่าเป็นโคโลโคโซโแล้วก็ผมก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันถ้าปล่อยไปก็ทำให้เสียหายองค์การพระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้ที่ผมเป็นหัวหน้าผมก็ต้องได้เค็ดดูหมู่พวกเพื่อนทุกวงแต่จำรำผมผมไม่ได้มุ่งหวังอะไร อยู่ตามลำพังเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายตา ย, ตายคนเดียวเกิดคนเดียวสั่งสมบุญบุญมารมีม า, นะอาของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ถึงยังไงสรุปแล้วก็คือให้เป็นพระดีทุกองค์นะ เ, เป็นพระที่ดีมีศีลมีธรรม เ, เป็นลูกพระพุทธเจ้าอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยให้ศึกษาในหลักพระธรรมวินยัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระน้อยพระนมการท่องบทสาธยายอยากขี้เกียจขี้ขคล้านถ้าเมื่อว่างๆขึ้นมาก็ท่องปฏิโมกให้ได้เพื่อเป็นการสับเปลี่ยนกันถ้าได้ปฏิโมกแล้วมันลักษณะมันอุ่นใจอุ่นใจขึ้นในระดับหนึ่งคล้ายๆว่ามีความมั่นใจในตัวเองขึ้นในระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะผ้าน้อยผ้าหนุ่มทั้งหลายพยายามท่องปฏิโมกให้ได้ท่องเสร็จแล้วกไ็ไปสาธยายให้รุ่นพี่ที่เขาท่องมาแล้วสาธยายมาแล้วไปฝึกหัดเะก่อนไปฝึกหัดตัวไหนเสียงออกอย่างไรให้มันถูกอักระวักตอนเสียงสั้นยาวออก เสียงยังไงจึงจะถูกต้องเพราะว่าภาคบาลีเราไม่ได้เรียนมาก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านเรียนมาก่อนบอกกล่าวสืบทอดกันไปเรื่อยๆนะแต่บางคนก็เก่งกว่านั้นคนนี้อ้าเราไม่ได้เกิดในเมืองอินเดียเนะี่ยดรู้จักไหมคํ่าคาว่าผิดอันนี้ว่าถูกถูกผิดเนะี่ยถ้าว่าถูกถูกอาจจะผิดก็ได้อันนี้ก็มีเหมือนกันนะ ผมก็เลยบอกอื่อยังไงก็ให้ถูกถูกตามตัวหนังสือก็แล้วกันนะเขาพิมพ์หนังสือออกมายังไงก็ให้พูดตามกฎกติกาเพราะว่าพระเมืองไทยของเราเนี่ยสวดอย่างนี้รักษาอย่างนี้เราจะทํอยังไงถ้าหาว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทํำนิกายในเมืองไทยเขาคงจะแตกกระจุยกระจายไปคนละแห่งเราเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องการมะจะเป็นอย่างนั้น ถ้าคิดต่อไปภายภาคหน้ามันดีไหมเป็นผลดีไหมอย่างนั้นอรู้แล้วมันมีมันมันมีแต่ผลผลเลวทั้งนั้นเอมันไม่เห็นจะผิดทำหลักทำที่ไหนทำที่ไหนแต่หลวงพ่อเห็นนะพอะพุทธวจนะพระพุทธเจ้าให้สวดพระวินัยเท่านี้รักษาศีลเท่านี้อันนี้มันเกินไปเท่านั้นเท่านี้ก็เราไม่ได้เกิดในยุคสมัยนู้นรักษามากไว้ดีกว่าไม่ใช่เหรอ ที่มันที่เกินกว่านั้นที่ว่าท่านไม่รับยอมรับนะมันผิดใช่ไม้มมันไม่ถูกใช่ไหมถ้ามันถ้าไม่ ม, ม, ม, มีจุดนั้นเป็นยังไงเสี่ยงเหล่านี้มันก็ต้องมีเหตุมีผลที่พระพุทธเจ้าเราก็รู้วันที่เมื่อพระพุทธเจ้าพระริเนีพรานไปชุมกันนัดแรกว่าเราจะสังขายนาอย่างไง พระพุทธเจ้าสั่งเสียอย่างไรท่านอานนนพระอาโนนก็กราบทูกลกราบพระมหากษัตริยที่เป็นประธานสวงว่าพระพุทธองค์บอกว่าอาบัดเล็กๆน้อยๆที่หยุมหยิ้มถ้าพวกท่านพิจารณาเห็นว่าควรจะตัดออกควรจะถอนออกก็ได้นะให้พวกท่านทั้งหลายให้ถอนหรือตัดออกก็ได้อันนี้ก็คือคํามาในพระบาลีในยุคสมัยนั้น จากนั้นพระมหากัตปาก็ประกาศว่าเอ า, เอาพวกเร า, เาจะถอนอกอกเลยสิที่ประชุมนัดแรกที่ถ้ำสัตบัณกคูหานะพระรวนแต่เป็นพระอรหันต์ห้าร้อองค์ทุกวันนี้ใครรับปาาระกันวัตถุข้าพ เ, เจ้าเป็นพระอรหรันต์ละยืนยันรู้อดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมด ก็คงจะไม่มีใครกล่าวถึงขนาดนั้นถ้ากล่าวขึ้นกล่าวออกไปเข า, าไม่มีใครเชื่ออีกต่างหากฮะเพราะนั้นในยุคสมัยนั้นพระพุทธเจ้ารับรองทั้งหมดพระทหารห้าร้อยองค์จํานวนนั้นรู้แก่รู้แต่แก่กันและกันทั้งหมดเข้ามาไปชุมพร้อมกันจากนั้นพระมหากัจจป่าก็ถามสวงว่าเอาในเมื่อท่านอานน์ก็ไม่ได้ถามได้กราบทูลถามพระพุทธพระพุทธเจ้าไม่ว่า อาบัตเล็กน้อยหยุ่มฉิมนั้นกลุ่มไหนพระเจ้าข่าท่านอานน์ได้ถามไหมท่านอานน์ก็บอกผมไม่ได้ถามเพราะจิตใจของผมของผมในช่วงนั้นเศร้าโศกเสียใจไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีแนวความคิดที่จะถามพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าเราจะไปินพานนะอะอีกสามเดือนข้างหน้าอาบัตเล็กน้อยหรือหลักธรรมวินยัยอันไหนที่เห็นว่า ยุ่มจิ๋มเกินไปให้พวกท่านประชุมถอนก็ออกก็ได้นะเพียงแต่ว่าพรุทธเจ้าอีกสามเดือนเท่านั้นพระอานนท์ก็สลดแล้วเพราะท่านเป็นยังเป็นพระเสขาอยู่คือเป็นพระผู้จะต้องศึกษาท่านท่านได้เพียงพระโสดาบันท่านไม่ได้ยังไม่ได้เป็นพระ อ, อรหันต์พอได้ยินเสียงเท่านั้นละ่ะที่พระพุทธเจ้าตรัสเท่านั้นละ่ะ ในใจก็าจะท้านหวั่นไหวแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีใจที่จะถามทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพระพองค์สั่งเพียงแนั้นก็เพียงแต่รับไว้ตนเองแต่พอประธานสงฆ์ถือท่านพระมหากัะเจาเถระถามว่าพระพุทธเจ้าได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างอานนุ์ก่อนที่พระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะปรินิพานในวันนั้นหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยพระ มหาก็จะปะถามพระนรกว่ามีสองสมเรื่องนะเรื่องให้ลงผมมทันกับฉนะแล้วก็ให้ถอนอบัตเล็กน้อยแล้วก็มีอีกนะผมจะไม่อธิบายในจุดนั้นเพราะผมจะอธิบา ย, ว, ยว่าอาบัตเล็กน้อยคืออะไรไนอะ้ถอนดูซิพระมหากษัริประกาศพระสงฆ์ตั้ง500อองค์แต่ละกุมเนี่ยพระ ในห้าร้อยองค์นั้นพวกพวกที่เป็นาชาวไร่ชาวนาก็มีธรรมมาค้าขายก็มี เ, เป็นพิพากษาอายการก็มีเป็นพวกพรามก็มีเป็นคณะครูบาอาจารย์ก็มีเป็นกษัตร์ก็มีหลายกลุ่มในเมื่อหลายกลุ่มกเคืคนเกิดมาแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันถ้าพวกชาวไร่ชาวนาพวก ทำรั้วทำสวนพวกทํามาค้าขายโอ้ยเสียเกียตวัดไม่จำเป็นหรอกอไม่จำเป็นยุงเยิงยังไงกินจะอิม่มก็กินอย่างนั้นะ เ, เราจะไม่ฉันดังจับจับเราจะไม่ฉันดังสู้สูเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่ฉันทำกับพุ้งแก้มให้ตุยเราจะไม่ฉันพลางสะบัดมือพลางเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พด เราจากไม่โยนคำข้าวเข้าปากเนี่ยแล้วแต่จะกินยังไงก็กินกินได้อิ่มก็แล้วไาไม่จำเป็นอันนี้ยุมๆแล้วนี่อันนี้ก็คือพวกที่อยู่ในชนชุมชนกลุ่มหนึ่งแต่พวกที่มันมีมารยาทพวกพรามพวกกษัตริย์โอ้ไม่ได้นั่งเวลานั่งทานอาหารอยู่ในชุมชนอยู่ในโต๊ ะ, นะในวงล้อมจะไปกินแบบ นี่แหละถูกต้องแล้วควรเอาไว้นี่แหละอันนี้ก็คือต่างคนก็ต่างไม่เห็นกันเพราะชนอย่างที่ว่านชนหลายกลุ่มฮะชนหลายกลุ่มแต่และกลุ่มเลยกิริยามารยาทไม่เหมือนกันวินัยคือพระ พ, พระวินยัยก็คือกฎระเบียบตั้งสําหรับความเพื่อให้ความสวยงามพระสงฆ์ถึงจะอยู่มาจากถิ่นใดก็ตาม มาจากกลุ่มชุมชนชั้นใดก็ตามพอเขามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็เหมือนกับดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งสีสีเหลืองสีแดงสีแสดสีส้มพูสีอะไรก็ตา ม, มาดอกไม้ป่าแต่ถ้าเอามาแต่สีนั้นอย่างเดียวพวงมาลัย น, นก็ไม่สวยแต่ถ้าเอามาคละกันช่างมาลามาลาคือดอกไม้พ ว, พวกที่ ร้อยพวงดอกไม้ผู้ประดับดอกไม้ผู้ตกแต่งดอกไม้ทุกวันนี้ก็ยังมีนะวิชาที่ตกแต่งดอกไม้เนี่แหละเขามาสลับสลับสีเสยกันพอสลับสีเส่กันก็พวงมาลัยนั่นก็เกิดมีราคาสวยงามขึ้นมาดีกว่าที่ว่าเอาดอกกล้วยไม้สวยๆมาเป็นพวงพวงหนึ่งนะอันเงดอกไม้นี่สลับสีกันอดอกที่สลับสีนี่จะสวยงามกวา่า นี่แหละพระพุทธเจ้าศาสนาของพวกเราเนี่ยท่านเป็นนายเื่อว่าเป็นเป็นจอมยอดอนายมาลากวาดายนำสิทธิญาณสิธิ์ทั้งหลายถึงจะเป็นตระกูลไหนก็ตามเข้ามาบวชในพระพุทธศาธสนาแล้วพระองค์ให้ถือว่าเป็นสากยะยบุตรด้วยการทั้งหมดก็สลับสีอย่างที่ว่านะเพราะนั้น การบวชของพระในครั้งพุทธกาลจึงมีหลายระดับในตระกูลการธรรมาหาเลี้ยงชีพทุกระดับที่เข้ามาบวชในคนทุกระดับนั้นกิริยามารยาทของตระกูลและของการเป็นอยู่มันก็ต้องแตกต่างกันในพระวินัยของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องแตกแตกต่างทีนี้เพราะนั้นจะให้เสมอกันไม่ได้พอจะจะถอดถอนพระวินัยเท่านั้นล่ะ กลุ่มหนึ่งก็ถอดถอนกุม น, งมนึงกุถอดถอนตัวนึงพอเสนอเข้ามาเนะี่ยประธานสงเห็นแล้วเนะี่ยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมันไม่เป็นเอกฉันท์นะทั้งที่ท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์แต่ฉานรวดปฏิสัมพิธายานทั้งนั้นหาเหินเดินฟ้าได้แต่ความคิดพื้นฐานเนะี่ยแปกแตกต่างกัน เพราะนั้นพระมาหากัตปะพอเห็นเรื่องราวอย่างนี้แล้วมันไม่เอกฉันอย่างนี้แล้วพระมาหาคัส ป, ปะกูว่าดูก่อนสงทั้งหลายหมู่เพื่อนทั้งหลายน้องนุ่งทั้งหลายสหธรรมิกทั้งหลายผมว่าเนี่ถ้าหากว่าเราจะถอดถอนจะเอาตามกลุ่มนั้นจะเอาตามกลุ่มนี้ก็คงจะเป็นลุ่มลุมดอนดอนผมว่าเอาไว้ทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วในหลักพระธรรมวินัยนะ เอาไว้ทั้งบมดดีไหมพ ร, ร, ระมาหาปะประกาศในถ้มกลางสงสงก็โอ้ใช่ดีสาธุเห็นด้วยเพราะว่าเราจะถอดถอนนี่ไม่รู้จะเป็นหลุมเป็นบ่อควรไม่ควรอย่างไรนี่อันนี้เรคือพระวินัยที่เป็นมาของพระพุทธองค์แต่ผมผมมาพิจารณาผมก็เห็นด้วยถึงจะเป็นสองยเอ็เอาเถอะล้วนแล้วแต่เป็นกิริยามารยาทความสวยงามของ หมู่สงฆ์ทั้งนั้นแหละถ้าแน่จริงก็ไม่ต้องรักษาอะไรไกลแล้วรักษาใจเท่านั้นนหะแต่ทุกคนรักษาใจอันเดียวเท่านั้นสินอยู่ที่ใจไม่ต้องวาดท่า น, นั้นตอนนี้สิกขาบทหรอกใจมีอันเดียวอย่าคิดชั่วในเมื่อไม่คิดชั่วแล้วจะไปทําชั่วได้ยังไงจะไปพูดชั่วได้ยังไง เ, เพราะตัวเองไม่คิดชั่วถ้าคิดชั่วแล้ว อ, อต่อไปก็ทําชั่วพูดชั่ว คิดอย่างนั้นคิดมาได้ยังไงทำอะไรเพื่ออะไรสิ่งเหล่านี้ควรจะถามพวกเราท่านทั้งหลายถามทุกองถามทุกค น, ถ า, กคนถามหัวใจหลวงพ่ อ, อกาลังพูดหลวงพ่อก็ถามหัวใจหลวงพ่ออีกเหมือนกันไม่ใช่จะให้ถามแต่พวกท่านนะพวกท่านได้ยินแล้วพวกท่านก็ถามตัวเองเหมือนกันนะให้ถามตัวเองเอข้าพเจ้าคิดมันเป็นยังไงคิดดูให้ดีดีละอย่างถูกต้องละอย่าง ถ้าไม่ถูกต้องก็คิดใหม่อย่าไปทำเอาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเอาปฏิมาในพระไตรปิฎกทั้งก็มากพอสมควรอยู่แล้วล่ะพอแล้วล่วะถ้าว่าเราขนาดเรายังปฏิบัติไปยาดได้เถรไถลายก็ยังมีอีกตั้งเยอะแย ะ, ะไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวเพราะนั้นนะถ้าว่าออกจงแจ้งเนี่ยคนนั่นกระถอนคนนี้คนนี้กระถอนคนนั้น คนไปคนละทิศคนละทางคนละแห่งคนละหุน่นคนละชิ ค, คามบดต่อไปพ่ายภาคหน้าทอนอกพอกผลในสุดไปยังไงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจะ ย, ยังเหลือหรอสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดให้ดูให้ไกลคิดให้กว้างให้ไกลสายตาให้ยาวนะเอาตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมก